ไม่เห็นอย่างอื่นเมื่อท้นที่สุดแล้วพรศาสนาของพระศาสด า, า, านั้นจะเดินไปด้วยอนิจจงที่เป็นมาถึกวันนี้ทันสมัยทุกเวลาในขั้งพุทธกาลก็ดีอดีตที่มันผ่านมาก็ดีอนาคตที่ยังไม่มาถึงก็ดีปัจจุบันนี้ก็ดีนะ มันจะต้องเป็นตัวอันจังเป็นผู้ควบคุมอยู่อันนี้ต้องไปภาวนาสามารถที่จะเห็นในคมพีอะไรก็ไม่รู้ทำไมนั้นก็ว่าคำพูดคำพูดของนักบากที่ถูกต้อง ไม่ขาดจากอันอีจัง อ, นนอันนี้จริงอันอีจังถ้าไม่มีอันิีจังเนะ้่ไม่ใช่คํำพูดของนักปรากหรือไม่ใช่คํำพูดของพระพุทธเจ้าไม่ใช่คํำพูดของพระอริยเจ้านั่นเองคือเป็นคํำพูดที่เดียวว่ายัางไม่มีความจริงที่ยอมรับอื <c oughs> สิ่งทั้งปวงก็ต้องมีทางระบายคิดพิจารณาไปหลายๆอย่างแล้วก็มีเรื่องไม่ใช่เรื่องจิตมีเรื่องระบายจิตใจเรานี่คือมันกันอารมณ์ที่ไม่ระบายอารมณ์นี้จิตไม่ระบบายอารมณ์นี้ก็ ด, ดาาีกว่าอ่า เมาจิตมึนเมาปฏิบัติอะไรก็ทุกอย่างในความว่าอย่าเมาปฏิบัติแขนว่ามันจะดีกว่าอย่าเมาดีดีถ้าเมาจะเป็นผิดจะเป็นไม่ถูกละเราจะ ทำอะไรอันหนึ่งเกิดขึ้นมาให้มันไปตามอำนาจที่ความรู้สึกของเราได้ชอบใจแล้วอย่าเมาทแคนไหนเมาถ้าเมาเราไม่ถูกต้องตามสัจ ธ, ธรรมอย่าเมาดิฉันนั้นเราซึ่งปฏิบัติธรรมพระพระธอง์ก็สอนว่ายายเมาอย่าเมา ถ้าเมาแล้วผิดถ้าเมาแล้วไม่ถูกถึงเป็นเรื่องดียุก็จะเมาดีถ้าเมาดีมันก็โดยเกิดที่ว่ามันไม่ดีอยัยมันเมาให้รู้มันก็เหมือนกับที่สร้างเขื่อนที่มีทางระบายนะ้ำไม่ปิดให้ตายตัวมันจะ ออันนั้นเป็นเขื่อนที่ดีมากอืมเป็นเขื่อนที่ในทรมานเราผู้ประพฤติปฏิบัตินี้เหมือนกันอืมค่นั้นเรื่องบังคับจิตนี้ก็เรียกบังคับจิตเป็นคณะยาเมาไม่ใช่บังคับจิตสอนจิตให้จิตค่อยๆรู้สึกขึ้นมา ให้จิตเคยค่อยรู้สึกขึ้นมาเรื่องวังคับจิตมันจะเป็นบ้าให้ค่อยๆจิตมันรู้สึกขึ้นมารู้สึกขึ้นมามีกล่าวถึงปฏิปทาของเราเพราะงเป็นอย่างนั้นมีส่วนเทียบลหลายๆอย่างซึ่งมันมาลงกันการก่อสร้างข้างนอกนี่ก็เหมือนกันอะไรละหลายๆอย่างก็เหมือนกันมันมารวมจุดเปนเดียวกันตรงนั้น <c oughs> อย่างนั้นได้ประโยชน์หลายในการที่เราภาวนาในการที่เราตามรักษาจิตของเรานี้มันเป็นเบื้องต้นมันเป็นเบื้องต้นถึงแม้ว่าเราจะศึกษาเราเรียนมาก็จริงก็ดีอยู่แต่ว่ามันเป็นมันเป็นท่อนที่สองะ เช่นพระอภิธรรมชิ่นพระไตรปิฎกต่างๆเนี่ยแตดีแต่ว่ามันเป็นท่อนสองอเป็นท่อนที่สองที่คนไปบรรยายออกมาจากความจริงไอ้เรื่องจริงๆเนี่ยมันเรื่องจริงยิ่งกว่านี้มันมีอยู่อันนี้คือไปถอดออกมาจากเรื่องจริงอาการที่คนถอดออกมานั้นเน่ยบางทีก็รุมๆโดนๆก็นี นานๆไปนะมันดุมๆดอนๆแบนี้แต่เรื่องจริงๆของมันนั้นไม่มีใครควบคุมมันมันเกิดเป็นเรื่องของเก่าคือธรรมชาติมันน่ะไม่มีเสื่อมเรื่องคนที่ถอดออกมาเป็นขั้งที่สองที่สามเนี่ยถึงแม้มันดีมันเจริญมันก็มีการเสื่อมนะก็เหมือนกันที่คนเราที่ว่ามันมากเข้ามากเข้าอย่างเนี้ยมันก็ทําฟองยุ่งยากกันมา อืมตามเรื่องของมันเพราะว่ามันมากอืมจะมีคนสอนมาให้ดีดีเท่าไรเป็นต้นมันก็สอนได้อืมแต่ว่าอมันก็ไม่เหมือนความจริงของมันแทบจะทำที่มันเป็นจริงของมันนั่น่ะไม่มีเวลาจะเสื่อมตามไม่มีเวลาจะเสื่อมตามเพราะอันนั้นมันคงที่มันเป็นของมันอยู่อย่างนั้น อันนั้นมมนเป็นต้มต่อเป็นสัจธรรมที่ว่ามันเกิดขึ้นมาอยู่มันเป็นก็มันอยู่อย่างนั้นสาวกองใดผู้ประพฤติปฏิบัติคนไหนก็ตามะจะต้องพยายามไปรู้ตรงนั้นเห็นตรงนั้นปฏิบัติตรงนั้นเทียบเคียงออกมานานๆไปมันก็ช่วยระบายออกไป เ่อมไปไอ้ต้นตอมันก็ยังอย่างเก่าอันนั้นมันยังอยู่อย่างเก่าเติมเดิมของมันดิจานั้นตพระพุทธองค์ของดอนทันเจให้สอนว่าให้กําหนดด้วยกายพิจรารณาผู้ปฏิบัติหากหวัจริงหนึ่งอย่าติดอย่าติดในความผิดของเราอย่าติดในความรู้ของเรา อย่าติดในความรู้ของคนอื่นอย่าติดในความรู้ของใครรู้ให้รู้เป็นพิเศษไว้คือปล่อยให้สั่จะทำความจริงๆระเบิดขึ้นเต็มที่มันอยู่เสมอไในระยดแยกตรงไหนอันนี้คนละการเราอบรมจิตของเรานี้เพื่อเรา อ่า <c oughs> พิจรารณาตัวสัจธรรมจริงๆ <c oughs> คือเรื่องจิตใจของเรานี้เราจะเห็นชัดถ้าหากว่าใครสงสัยอะไรตรงไหน ก็ดีอืมก็คือให้กำหนดรู้จิตของเราความรู้สึกของเรานี่นเป็นที่พึ่งรู้จัก อ, อันอื่นก็เป็นเรื่องถือเผินเช่นว่าพูกง่ายๆในวาระหนึ่งเราเป็นผู้ปฏิบัติอืม ไอ้มันถูกอะไรขึ้นมาหลายอย่างมีทางกลัวม้มีทางไอ้หลายอย่างอนนี้เราจะอาศัยอะไรนะไหมในเรื่องจะอาศัยอันนี้เรื่องเคยเป็นมาแล้วเรื่องตัวตัวก็เคยผ่านมาเรื่องอันนี้ไอ้เรื่องจิตเนี่ยไอท้ที่มันหลยที่มันกลัวมันกลัวจนหาที่พึ่งไม่ได้ ตัวจะพึ่งอะไรจะพึ่งอะไรตรงไหนไม่มีที่พึ่งนะไม่มีที่พึ่งไม่มีไม่มีที่พึ่ ง, งแล้วมันจะมาจบอยู่ตรงไหนมาจบอยู่ที่มันเกิดขึ้นมานั่นเองที่มันเกิดตรงไหนมันก็หลับตรงนั้นมันกลัวตรงไหนมันจะหายตัวอยู่ติดตรงนั้นพูด ง, ง่ายๆเลยว่า มันกลัวเต็มสุดที่สุดมันแล้วมันจะไปหยุดอยู่ตรงไหนมันก็กลับมาหยุดอยู่ตรงที่มันกลัวเนี่ยไอ้ที่มันไม่กลัวนั่นน่ะมันก็อยู่ตรงนั้นนะเอตรงที่มันกลัวเนอืยจิตใจของเรานี้มันจะเป็นอะไรก็ช่างมันเถอะเรื่องที่เราเรื่องเรื่องเราภาวนามันจะเกิดนินิตเกิดคองรูปความเห็นสารพัดอย่าง แต่อย่างไรไปรตามท่านจิตในเวรานี้ท่านกลายเท่งรู้จิตที่อยู่ปัจจุบันนี้เป็นเครื่องหมายอย่าวิ่งออกไปตามอารมณ์ข้างนอกอย่างอื่นเรื่องราวที่เราพิจารณาอันใดสารพัดอย่างที่มันเป็นมานั้นมันก็มาจบอยู่ตรงที่มันเกิดข้อเหตุมันอยู่ตรงนี้อันนี้เป็นเรื่องสําคัญ เป็นเรื่องสําคัญเมื่อหากว่าเรามีความกลัวพูดง่ายๆเราเห็นง่ายๆคือความกลัวของเระกลัวจนกระทั้งมันหมดกลัวมันก็เลยไม่กลัวเพราะว่ามันหมดมันหมดดทธิ์ของมันแนี่มันก็ไม่กลัวไอ้ที่มันไม่กลัวคือมันวางออมันจะเป็นอะไรอะไรมันยอมรับทั้งนั้นแนี่มันก็เลยหายกลัว คือเรื่องมันอยอมรับทุกอย่างก็เหมือนกันแค่นั้นที่เรื่องเราปฏิบัติไอ้อความเป็นจริงนั้นถ้าพระพุทธองค์ท่านให้เชื่ออย่างนี้ไม่เชื่ออย่างนั้นเชื่อที่ว่าอย่าไปจิบความเห็นของเราเองอย่าไปจิบความเห็นของคนอือ่นในบางาเรื่องเฉพาะ ออันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญ ม, มากอืเราจะพยายามออกความรู้ซึ่งมันเกิดมาจากความจริงจริงๆอคือมายึดมั่นหรือถือมั่นในความเห็นของเราแต่จะมายึดมัม่นถือมันในความเห็นของคนอื่น แต่ว่าเอาเรื่องของของคนเราเรื่องของเราเรื่องคนอื่นที่มันกระทบกันเข้ามามันจะเกิดเป็นแสงสว่างขึ้นมาตรงนั้นอืให้ดูตรงนั้นที่มันกระทบขึ้นมาตรงนั้นก็ดูเอาตรงนั้น <c oughs> ออืเรื่องที่มันมีอยู่ <c oughs> ฉะนั้นการกำเนดจิตเนี้ <c oughs> มันก็ บางทีก็เข้าใจผิดหลายอย่างเช่นการภาวนาเราบางคนเขาจะไปกําหนดจนที่ว่าอาการของผิดนั่นมันเป็นยังไงไหมยอย่างนี้ก็เลยไปกำหนดทุกอย่างทุกประการในเรวุ่นไปเช่นว่าเราให้พิจ า, ารณากันห้าขยายกันห้าเป็นอาการสามจิตสองหลายอย่างสารพัดอย่าง ครูว่าอาจารย์ว่าพิจนาทั้งหมดแล้วก็มาค้นคิดทั้งหมดน่นนะห้าแต่ก็ยังไม่จบอาการสามที 2, ่สองสามที่สามสารพัดอย่างค้นไปได้กว่าอย่างนั้นอันตมนาจึงเห็นว่า <c oughs> ถ้ า, ากาก้อนก้อนนี้ขันห้าที่เรานั่งนี่มันจะห้าจะหกจะเจ็ดจะแปดจะเท่าไรก็ช่างมันเถอะ ก้อนที่เราเห็นอยู่ใวนีว้เราเบื่อมาแล้วเพราะว่าไม่ได้ตามปาร์นาของเราตรงนี้ก็เห็นแค่อพอหรือมะถึงแม้วมันจะอยู่ไปก็ไม่ค่อยดีใจจนมันหลงถึงแม้ว่ามันจะทําลายไปก็ไม่จําเป็นจะต้องเสียใจในก้อนนี้เราเห็นขนาดนี้ก็พอหรือมะไม่ต้องไปฉีกเอาเนื้อเอาหนังอะไรออกมาหมด อันตรมาเคยเปรียบเดืออยู่เสมอละว่าบางคนก็ต้องทําให้มันรู้อย่างนั้นในมันเห็นอย่างนั้นต่เราต้องยกต้นไม้อันตรมาให้ดูอืมโดยมากนักศึกษาอยากจะรู้บุญอย่างนี้เขาก็อยากจะรู้ตัวว่ามันเป็นยังไงบาปอย่างานี้เขาจะรู้ตัวว่ามันเป็นยังไงอืมอันนี้อันตรมาไอ้ตัวมันไม่มีหรอกตัวมันคือความเข้าใจของเราที่ถูกต้องเท่านั้นแหละ เขาอยากจะมันรู้แจ้งขนาดนั้นึ้น ม, มาต้นไม้ต้นหนึ่งอย่างนี้อันจะมาเคเทียบให้ฟังว่ามันมีรากมันมีใบ ม, มันอยู่ด้วยดากของมันนักศึกษาจะต้องรู้ว่ารากมันมีกี่รากรากน้อยๆรากคอยมันกี่รากรากใหญ่มันกี่รากใบมันกี่ใบอย่างนี้ เขาจึงจะรู้ว่าเขารู้ชัดดูแจ้งว่าในต้นไม้ต้นนั้นมันมีกี่รากอืมดูเหมือน่อพระเจ้าองค์ท่านเห็นว่ายากยากจะรู้อย่างนั้นดูเท่านจะว่าจะเป็นคนโง่ใช่ไหมเขื่อไม่ไม่สิ่งที่จําเป็นที่จะรู้อย่างนั้นรู้ว่ารากไม้ก็พอแล้วมันอยู่ในรากมันก็พอใบมันก็พอแล้วว่ารากอันเดียวมันก็ประสบทุกรากใบอย่างนี้มันมากอยู่เต็มต้นมันเลย จะไปนับมันได้ไหมแต่ก็เรียกว่าใบไหมดูเอาใบใดใบหนึ่งเดี๋ยวก็แล้ว ก, กันก็เป็นใบแล้วก็พอแล้วรู้แล้วว่าใบปะหรูตัวนี้มันมีใบเดียวอย่างนี้รากปะหรูตัวนี้มันคือมีรากเดียวเท่านี้เป็นรากของมันนี่รากอื่นนอกนี่ไปก็เหมือนนี้ใบปะหรูอื่นนอกนี่ไปก็เหมือนใบนี้คนเหล่านี่ยคือเหมือนกันเช่นนั้นรู้เราคนเดียวเท่านี้แหละ มันก็รู้จากคนหมดทั้งโลกทั้งจั ก, กรวาล น, นี้แหละไม่ต้องไปตามดูใครนะพระพุทธองค์ให้ดูตนเท่านี้ละ่ะเมือนกับเห็นตนอันเดียวเท่านี้แหละใครๆก็เป็นอย่างนี้ก้อนนี้ก็เป็นอย่างนี้สามัญญาลักษณะธรรมะทั้งกลุ่ล่าวว่ามันมีลักษณะเสมอกันอย่างนี้ทั้งขานทั้งฟวงมันเป็นอย่างนี้อันนี้พกมาพูดกีดีว่าเราทํำสมาธิกันเพื่อเจริะกิเลส เพื่อจะให้มันเกิดความรู้ให้เกิดความเห็นเพื่อเจะระกันหานี้มีสองอย่างนี่บางทีก็เนี่ยสมถะนี่แบ่งกันใช่สองกาวิปัสสนานก็เลยมาทํากั น, นให้มันยุ่งมากที่สุดตามความรู้สึกอย่างนี้นนนอย่างผู้ที่นั่งสมสาธิก็สรรเสริญในสมาธิ นั่งสมาธิเพื่อให้จิตสงบก็เพื่อให้มันดูอันนั้นบางคนก็เห็นว่าฉันไม่ต้องนั่งสมาธิหรอกฉันแบบภาชนะไว้นั่นมันต้องแตกเป็นเบื้องหน้าเท่านี้จะไม่ได้หรือเนี่ยไม่ต้องไว้นั่งดับตาแบบภาชนะอันนี้มันต้องแตกข้างหน้าไม่ต้องแตกข้างหน้ามันจะต้องแตกข้างหน้า ฉันไม่ต้องนั่งขนาดนั้นฉันรู้แล้วว่าภาชนะอันนี้ข้างหน้ามันต้องแตกไอ้ความแตกของภาชนะอันนี้เป็นเบื้องหน้าจะต้องเป็นอย่างนี้อันนี้ฉันจะไปไม่ได้สมาธิฉันไม่เปลนละเท่าฉันรู้ภาชนะไปนี่ว่ามันเป็นอย่างนั้นเมื่อรู้ว่ามันเป็นอย่างนั้นแล้วฉันก็รักษาไว้อืม กลัวมันจะแตกไหมกลัวเหมือนกันกลัวมันจะไม่ได้ใช้รักษาไว้ถ้าถึงตอนมันแตกจริงๆฉันก็ไม่มีอะไรเพราะฉันเห็นว่าภาชนะใบนี้มันแตกอยู่แล้วหรือมันจะมีความแตกเป็นเมืองหน้าอยู่แล้วก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นมาอย่างนี้ทุกฉันก็ไม่มีแล้วพะฉันเห็นอย่างนั้นอันนี้ฉันปฏิบัติจะไม่ถูกต้องหรืออย่างนี้เนี่ยไม่ต้องนั่งสมาธิมันมากจนเกินไป นี่ไปฉันเห็นอันนั้นท่านนั <t t <subject> ่งสมาธิเพื่อจะเห็นอันนั้นเท่านั้นแหละอันนี้ฉันก็ไปเห็นอันนั้นแล้วว่ะเมื่ออันนั้นมันเป็นอย่างนั้นทุกฉันก็ไปเกิดขึ้นมาแล้วเพราะว่ามันเป็นอย่างนั้นอืไอ้คนนั่งสมาธิเห็นไอ้ภาชนะเช่นนี้ว่ามันจะเป็นไปอย่างนั้นในเบื้องหน้าอนภาชนะอันนี้ก็เป็นไปอย่างนั้นไอ้คุณก็ไม่มีทุกข์เพราะคุณนั่งสมาธิองค์จิตใจเห็นแล้วอย่างนั้นคุณก็ไม่มีทุกข์ อืมข้าคุณนั่งสมาธิอบรมจิตให้เห็นอย่างนั้นฉันเลยนั่งสมาธิแต่ฉันมีความมั่นใจว่ามันเป็นอย่างนั้นแต่สิ่งทั้งหลายแล้วมันเป็นไปตามสภาว่าของมันฉันก็ไม่มีอะไรเพราะเห็นว่ามันเป็นอย่างนั้นแล้วอันนี้มันเป็นปัญหาของนักปฏิบัติของเรานีอืมบางทีก็ทําสมาธิสารพัดอย่างเด่มงจี่อาจารย์ที่ทํากันอย่างเราได้ยินมานั้น วุ่นจงไปหมดจังไอ้ความเป็นจริงก็เรื่องให้ไปเห็นอันนั้นต่างความเป็นจริงเล่านั้นแหละเกิดไม่สงสัยอะไรเท่านั้นแคะนั้นอัตมาจึงเห็นว่าเมื่อหากว่าเรารู้จักอย่างนี้ทำจิตของเราอยู่ใต้บังคับบัญชาของเราอย่างนี้บังคับบัญชาอะไร บังคับบัญชาไอืมบังคับบัญชากือันเรื่องเรื่องที่ว่าอนิจจังเทเบามันในเที่ยงมันจะไปแง่ไหนมันรวมามาอยู่ตรงนี้ไม่ไปที่ไหนแล้วมันอยู่ตรงนี้ถ้าเห็นมันชัดอืมเนี่ยเป็นเหตุให้เราปล่อยวางดังนั้นผู้ปฏิบัติแลก้ก็ตาหากวามันถึงที่มันพอสมควรแล้วก็ปล่อยมันไม่ตามธรรมชาติมัน จะมีอะไรหรือไม่มีอะไรไม่มีอะไรก็เฉยๆอยู่ถ้ามีอะไรกร็พิจรารณามันถ้าไม่มีก็วางไว้ตามธรรมดามันธรรมชาติมันอยู่ไปตามธรรมดาเราเนี่ว่าอันนั้นเกิดขึ้นมามันทุกข์ไหมอย่างนั้นมันยึดไหมยึดมั่นถือมั่นไหมอะไรไมไอ้เครื่องประคับประคองมันมีอยู่เดียวถ้วาเราไปถึงจุดอันเดียวกันนั่นเห็นว่ามันจะมีความสงบ uk. เรียบร้อยทุกคนเมื่อหากว่าเรามาทําภาวนากันเนี่ยนิปพัฒนากรรมฐานอืนิพพัฒนาธุระสมถะธุระก็มีเรื่องเท่านี้เองสองอย่างนี้ก็เพื่อให้เห็นว่าอันนั้นว่ามันเป็นอย่าง น, านั้นเท่านั้นแต่เรื่องภาวนาของพวกเราทั้งหลายซึ่งเป็นพุทธบริกัททุกวันนี้ มันถ้าว่าพูดตามลักษณะมันฟั่นเฟือกันเกินไปแต่ว่าท่านจะทำในท่านเฟืออะไรกันมันเป็นข้อมันอยู่อย่างนั้นอันตามาจึงเห็นว่ามาค้นคว้าเบื้องต้นมันดีกว่าออกจากกำเนิดจิตของเรานี่ดไีไม่มากไม่มากเกิดแก่เจ็บตาย ย่อๆซึ่งเป็นของจริงอยู่แล้วจะพูดไปที่ไหนมันก็เป็นของมันอยู่างนี้ให้มันเห็นชัดกบไปให้มันยอมรับนะถ้ามันยอมรับแล้วมันก็จะวางของมันนะราบยศดันั้นเสริญสุขมินทาสารพัดอย่างมันก็จะวางเพามันยอมรับอยู่แล้วถ้าหากว่าเรามาถึงที่สัจธรรมอันที่มันเป็นความจริงอย่างนี้นะน่จะเป็นคนที่อยู่ง่าย กินง่ายนอนง่ายพูดง่ายทำง่ายอะไรง่ายง่ายไม่ได้เป็นของยากไม่ได้เป็นของลำบากประพฤติเบาดีสบายนี่นี่ที่คนภาวนาที่มีความสงบแล้วมันจะต้องไปในทํานองอันนี้ฉะนั้นกันเราทำจิตทุกวันนี้ ที่พระพุทธองค์ของเราท่านทําอยู่หรือสาวกท่านทําอยู่ที่ท่านสําเร็จไปแล้วก็ดีอย่างพระพุทธเจ้าของเราหรือสาวกของท่านก็ดีเมื่อท่านยังทรงภาชนอยู่นะั้นแต่ท่านก็ต้องทําของท่านเออทาของท่านอประโยชน์เราก็หมดแต่ประโยชน์คนอื่นประหมทแล้วแต่ท่านก็ต้องทําประโยชน์ตน โดยปฏิยายนึกกรสร้างประโยชน์คนอื่นโดยปฎิยายม่ได้ขาดเลยถึงท่านเสร็จแล้วท่านก็ยังทำอยู่ยังเป็นอยู่อันจะมาว่าคงให้ถือเอาอย่างนั้นที่เราทำปฏิบัติกันอยู่นี้เรียกว่าเรียกว่ามันไม่พอจะพูดดีว่ามันไม่พ อ, อ ม, มันเป็นสั้นดานอย่างนั้นเช่ไมท่านไม่เคยทอดทิ้งความเพียรของท่าน จะเพียนไปอะไรเพียนเพราะเพียนนั่นเนองเพราะมันเป็นอย่างนั้นก็ต้องเพียนเป็นลักษณะอันนั้นคือนิสัยของปลานิสัยของผู้ประพฤตินิสัยของผู้ปฏิบัติอืมจะเปรียบประหนึ่งว่าคนเศรษฐีกับคนจนเศรษฐีเขายิ่งขยนัน <c oughs> <c oughs> ยิ่งขยันกว่าคนจนไอ้คนจนมันยิ่งไม่ขยันมันไม่เคยเป็นเศรษฐี ในเศรษที่เคยรู้จักมาหลายๆอย่างก็ยิ่งขยันก็ยิ่งรอบคอบกว่าคนจนนี่มันเป็นไปอย่างนั้นฉะนั้นการที่พักผ่อนเรื่องการประพฤติปฏิบัติของเรานี้มันก็อพักผ่อนอยู่ในการปฏิบัติอถ้าหากว่าเราถึงจุดแล้วก็รู้จุดแล้วก็เป็นจุดอันนั้นตามความเป็นจริงแล้ว เราจะเดินไปมันก็มีทางอะไรจะเสียหายเราจะนั่งอยู่ไม่มีทางอะไรจะเสียหายจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนไม่มีอะไรจะเสียหายสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันเกิดขึ้นเต็มอยู่มันถึงจุดมนแล้วที่เราวันนี้มาเดีนั่งสมาธิใจเขาก็สบายอยู่ต่พอมันในสมาธินั่นคือว่าไม่ใช่ว่ามันมันนั่งมันเป็นสมาธิ ออย่างเดียวไม่ใช่อย่างไรยืนเดินนั่งนอนมันเป็นสมาธิของมันอยู่ได้ออถ้าผู้ประพปฏิบัติอยู่ในอิยาบททั้งสี่การยืนเดินนั่งนอนแล้วมันเสมออยู่อย่างนั้นอืมมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นมาในระยะนี้ฉันขาดสติไปแล้วฉันไม่ได้ทำความเขียนไม่มีอย่างนั้นแต่ความรู้สึกอย่างนั้นไม่มีไอความคิดอย่างนั้นมันไม่มีในที่นั้น ดีก่าสมบูรณ์บริบูรอยู่เลยมันเต็มอยู่อย่างนั้นคนรจะเป็นอย่างนั้นไม่ได้สงสัยอะไรอีกแล้วะควรจะหยุดอยู่ตรงนั้นพิจารณาอยู่ตรงนั้นเออจะตวรวจดูอะไรส ก, กายะทิฏฐิอย่างนี้วิจิจิตฉิชาชีรัสสะพรมาสเบื้องต้นอย่างนี้ออกจากนี้ทั้งนั้นเลยมันจะรู้ไปตรงไหนก่็ให้มารู้ไปเถอะ จิตใจต้องออกจากอันนี้สักกายทิฏฐิอวิจิจิขาทิฏฐาปัปปะมาสมีเป็นเบื้องแรกจะต้องออกช่องนี้เลยสิ่งสามอย่างนี้มันเป็นอะไรที่เรามีอยู่นี้เรารู้ในตัวเราไหมเราเห็นไหมว่าเป็นอะไรอันนี้ใครจะไปรู้เรายิ่งกว่เรารู้เราแล้วนี้นสักกายทิฏฐิ วิจิกิจชาธิรปดาปราปรมาสถ้าใครมาถืออยู่นี่มาสงสัยอยู่นี่มารูปคำอยู่นี่มันก็เป็นตัวเป็นตนอยู่นี้เองนะใครจะมารูปมาคามันอย่างนี้ใครจะมาสนใจในที่ถ้าหากว่าไม่ใช่ตัวตนแล้วมันก็จะมีใครมาําอยู่ตรงนี้ <c oughs> สิ่งทั้งหลายเนี่ยแต่มาเห็นว่ามันจะพร้อมกันละ <c oughs> พต่เขดูจักสิ่งทั้งหลายเหล่านี้อืมมันจะจบในการประสฤติปฏิบัตินี้มันเป็นอยู่อย่างนี้ต่อไปก็เป็นธรรมดาอยู่เหมือนพระพุทธเจ้าของเรานนั้อยท่านอยู่อยู่ธรรมราเหมือนปุถุชนเราใช้คําพูดอย่างปุถุชนเหล่านี้เป็นอยู่อันเดียวกันทั้งนั้นเพรา็ว่ามันไม่แปลกอะไรกันแล้วเออน่ะเออ ก็ใช่สมมติอยู่ตามธรรมดาไม่มีอะไรอืมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงส่วนสมมุติอันนี้เท่านั้นแต่ว่ามันเปลี่ยนแปลงที่ว่าท่านไม่กิบเราทุกข์มาใส่ใจของท่านคือท่านหนึ่งมีทุกข์ง่ยอันนี้เป็นสิ่งที่สัาพันธ์มาก เพื่อพ้นทุกเพื่อดับทุกมันดับยิปพาณะก็ไป็นว่าดับมันดับทุกดับก้อนลับสงสัยดับกังวลมันดับเย็นไม่ควรที่จะไปสงสัยมันเรื่องการพุทธปฏิบัตินี้ อะไรที่จะมันสงสัยขึ้นมาก็อย่าสงสัยในสิ่งที่สงสัยนั้นย่า ม, มันเข้าไปตรงนั้นงัดมันเข้าไปตรงนั้นไอสิ่งที่เราประพฤติอยู่สิ่งที่เราปฏิบัติอยู่กับอารมณ์มันไกลกันมากที่สุดละมันไกลกันมากที่สุดละอย่างนี้อันนี้พูดถึงที่ว่าจิตได้ประสบ การประพฤติปฏิบัติมาแล้วว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นในการฝึกครั้งแรกฝึกให้จิตสงบอันนี้ลำบากรงไหนฝึกจะให้จิตสงบให้จิตสงบนี่หากรรมฐานให้มาถูกิดของเราเองมันถึงความสงบง่ายอย่างนี้ ไอ้ความเป็นจริงนั่นท่านก็โยนให้เจ้าของเองพระพุทธเจ้าของเราให้ดูเจ้าของโยนให้เจ้าของหาถ้ามันร้อนมันก็เป็นโทสะมันปึงไปสอถ้ามันเย็นเกินไปก็เป็นถุกจ้ะ เป็น ก, ร า, มมการมาสุกันนี้การโยโคไปอักถ้ามันร้อนจะเป็นอัจจะกิริมันานโยโคไปสักไม่ให้มันเป็นอย่างนั้นไม่ให้มันเย็นไม่ให้มันร้อนให้รู้จักการร้อนให้รู้จักการเย็นให้รู้เรื่องทุกสิ่งสารพัดที่มันเกิดขึ้นมานั้นมันจะรวมเอาทุกวาใส่ตัวมันไหมมันยื็ดไหม อย่างที่สรรพชาติทุกอย่างนี้ไม่ใช่ว่าเกิดชาตินี้แล้วตายไปเกิดชาติหน้าแต่เป็นไปนทุกข์เปนไปอย่างนั้นอั น, นมันไกลมากที่สุดแเลยไอชาติทุกข์มันเกิดขึ้นเดี๋ยวนี้นแหละ mm hmm. มันเกิดขึ้นเดี๋ยวนี้ <c oughs> ที่ว่ามันมีภพอยู่ไอภพนั่นมันเป็นเหตุให้ชาติมันเกิดนี่ พนี่ยคืออะไรทุกอย่างอะไรที่ไปหมายมัน่นมันจัดเป็นพบทั้งนั้นแหละไอ้ของที่เราถือว่าเป็นเป็นเราเป็นเขาเป็นข อ, ของของเราเนี่ยโดยที่ไม่แ ย, ยบคายแต่มันเป็นพบทั้งนั้นไอ้สิ่งที่เรายึดว่าเป็นของของเรานั้นตลอดทุกสิ่งทุกอย่างถ้าว่ามันเคลื่อนมันเปลี่ยนแปลงเนะี่ยมนเราสะดุง้งอืม สะด <inte le> <ifie> <n ick> ุ้ง <Ign> คือเกิดดีหรือเกิดเสียขึ้นมาอย่างนี้ไอตัวที่มันเกิดขึ้นมาเกิดดีใจหรือเกิดเสียใจนั่นคือชาติอืคือชาติอืมเมื่อชาติเกิดขึ้นมาจะนําทุกข์มาชาติทุกข์ชราที่ทุกข์พยาที่ทุกข์วรรณะทุก์อะไรเราอยู่ในภพมัมเรามีภพไหมเห็น แล้วมีพบไห ม, มดูมือดาเรามีพบไหมเรารู้จกพบไหมดูเท่าทันพบไหมอย่างเพื่อนไม้ในวัดเหล่านี้แหละอย่างเราเป็นสมมุติว่าวัดเราอย่างเงี้ยถ้าหากว่าไม่รู้ว่าวัดเราจริงๆนั่นนะ่ะคนในวัดหรือส่งผานวัดเนี่ยจะไปเป็นตัวนอนอยู่ทุกต้นไม้ในวัดเนี ไม่รู้ตัวต้นไม้เพราะอะไรเพราะตัวหนอนขอไปยึดคือตัวอุปทานไปยึดไม้ต้นนี้ของฉันอยู่ในวัดฉันอยู่ในสวนของฉันอยู่ในว้านของฉันจะมีกี่พันต้นเป็นต้นก็เป็นหนอนกี่พันตัวใ น, นนั้นนั่นคือเป็นตัวพบ เมื่อถูกเขาตัดเขาสับอะไรเป็นต้นก็ถูกนอนคือตัวเรารุ่งขึ้นมาเลยเกิดเป็นชาติขึ้นมาเลยห่วงเป็นชาติทุกข์สารทิทุกข์เนี่ยอันนี้เราดูรอบแลยดูยังอันนี้สิ่งที่ไกลๆสิ่งที่อยูงง่ในบ้านเราสวนมันไกลจากเราไปแล้วเราต ก, กมาที่ตัวที่เรานั่งอยู่นี่แหละที่ประกอบด้วกันห้า ไอ้จาพวกดินจาพวกน้ำจำพวกไฟจาพวกลมที่มีอยู่เนี้ยที่ถูกสมมุติสังขารว่าเป็นเราเห็นสังขารจริงไหมเห็นสมมุติจริงไห ม, มถ้าเห็นสมมุติไม่จริงเห็นสังขารไม่จริงตัวนี้จะเป็นตัวภพว ม, มันจะดีใจกับขันห้านี่แหละมันจะเสียใจในกันห้านี่แหละมันจะเกิดอยู่ตรงนี้แหะ อมันจะชาติทุกอยู่ตรงนี้ชาติทุกพยาย ท, ทุกอยู่เดียวนี้มันจะเกิดชาติเดียวนี้เกิดชาติเดี๋ยวนี้เวรานี้เดี๋ยวนี้ไม่ใช่ว่ามันมีมาก่อนแก้วได้แตกไว้นี้เสียดายเดียวนี้แก้วระเดืออยู่ในดีใจเดี๋ยวนีอ้อย่างนี้ดีใจโดยทางที่วะไม่มีปัญญาควบคุมเสียใจโดยที่วะไม่มีปัญญาควบคุมมัน เนี่ยอืมมันเสียหายเถึงนั้นเนี่ยไม่ต้องดูอื่นไรเมื่อเรารวมรวมเขามาในทั้งหลายเหล่านี้เราจะเห็นว่ารบเรามีอยู่หรือเปล่าถ้ามีอยู่เรารู้จะพบไหมล้วรู้จ า, จากสมมติไหมเรู้จักบัญญัติไหมนี่อืคือตัวอุปทานที่เราเรียกว่าอันนี้เราหรืออันนี้ของเรานั้นเนี่ยอุปทานมันไม้มีอยู่ ตัวอุปทานนั่นแหละเป็นตัวนอนเนี่ยเป็นตัวนอนจะแพ้ทำชาติให้เกิดขึ้นมาตรงนั้นออตรงที่เราไปยึดอะไรเะอืยยึดอะไรไหมยึดรูปเบญธนาสัญญาสังขารวิญญาณยึดขึ้นเดียวนั้นประสุขเดียวนั้นทุกเดียวนั้นคุณเดียวนั้นเป็นเดียวนั้นมันเกิดขึ้นเมื่อเรากระทบกันเดียวนี้ย เมื่อตากระทบกับพูบเดียวนี้เกิดเดี๋ยวนี้ไม่จะเกิดง่วงวานหรือเกิดก่อนนี้ไม่ใช่ว่ามันนอนเนื่องอยู่ตรงไหนแต่มันกระทบเดี๋ยวนี้มันเกิดเดียวนี้ปัจจุบันเดี๋ยวนี้อันนี้พระพุทธองค์ท่านเห็นมาอย่างนี้ดูวยจะพบชาติในอายตระที่เราอาศัยอยู่นี้ใกล้ามาเดียวนี้ถ้าเรารู้อย่างนี้เราจะได้ปล่อยได้ ภายนอกภายในอายตนาตาหูจะมูกริ่นกายใจภายในภายนอกล้าจะเห็นอยู่ปัจจุบันเดียวนี้ไม่ใช่อื่นไม่ใช่ตายจากนี้ไปแล้วไม่ใชูุ่กจากที่นี่ไปแล้วเดียวนี้ตาเห็นโูกเดียวนี้หูฟังเสียงเดียวนี้จมูกร้องกินเดียวนี้รื่นริมรถเดียวนี้เกิดหรือเปล่ารู้ทันมันนี่ความเกิดอันนี้ อันนี้ดีกว่าออันนี้จะต้องมีนิสัยเป็นผู้มีปัญญาเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะอยู่ตลอดเวลาเยผู้เห็นภพชาติของเราอย่างนี้จะได้เห็นว่าเราเกิดอะไรบ้างอเรามีภพอยู่ไหมเรามีชาติเกิดไหมไม่ต้องไปรู้หมอหรอกจะมา <c oughs> มีเพื่อนร่วมหนึ่ง อยู่พักกลางสมัยก่อนเคยปฏิบัติต่อกันมานีจากกันไปได้ปีน่เไปไปพบเมื่อสองสามปีมานี้ลุงตาเนี่ยะะท่านปฏิบัติสติปัฏฐานเมื่อท่นมาท่องทันเทศด้วยนะเ ท, ทือสติปัฏฐานท่องเอาเทศอแล้มก็ยังไม่หายสงสัยพอปีนั่นลงไปเลมกากราบเลยโอ้ยท่านอาจารย์แม่ผมดีใจด้วยเกินเนื้อนนี้ ทำไมเข้าไปผวาด้วยเข้าไปที่ไหนก็ไม่รู้อืมถ้าเราไปทายพระไปเสียงทายพระพราเสียงทายเขาเนี่ะยกขึ้นว่าถ้าหากว่าข้าพระเจ้าเป็นผู้บริสุทธิ์แล้วพ้ายกพระนี่ขึ้นอะไรเงี้ยถ้าหากว่าไม่บริสุทธิ์แล้วยกพระน่ิยายมันขึ้นเลยพอดีแต่ไปยกพระน่งขึ้นด้วยดีใจเลยนะเนี่ย ไม่มีรากฐานอะไรเลยนิดเดียวเท่านั้นเนี่ยเห็นมาเราเป็นผู้ปริสุทธิ์เอาไปฝากไว้ก้อนหินหนึ่งแต่เราโยกปลาขึ้นเป็นผู้ปริสุทธิ์แล้วผู้ปฏิบัติมันไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นเลยมันไม่เห็นตัวมันเห็นทางนอกเห็นก้อนหินก้อนกูนไม่แต่เห็นเจตนาในจิตของเจ้าของในปัจจุบันเดียวนี้อืเรื่องภาวนาของเรามันเป็นกันเงินจะไม่สงสัยอะไรเลย ฉะนั้นอาจจะมาจะเห็นว่าการภาวานานี่น่ะดีแล้วแต่ว่ามันไม่มีใครรับรองเช่นโบูดังเนี้ยบทดังนี้เขาทำเขาคนทำเนี่ยนักเรียนพ่อทีเขาทำบูดังนี้แนละ้เวเเขาออกแฟนเขาทำ แต่เขาทําได้ดีส่สุดใจว่าเขาไม่มียี่ห้ อ, อ, อเขาไม่นับรองวัฒนธาารรมปณิชที่มีหลักการวิชาการแต่เขาทําได้ดีอือันนี้มันเป็นอย่างนั้นอืซัตยธรรมก็เป็นอย่างนั้นที่เราไม่ได้รู้ไม่ได้เรียนไม่ได้มากมาย นกแต่ะโรว่าเห็นว่าอันนี้มันประกอบด้วยทุกมันพาเราเป็นทุกมันวางสิตข้งางในลรานั้นได้มไม่ต้องไปสืบสวนตรงไหนเราให้ดูจิตของเจ้าของเท่านั้นดูเรื่องอันนี้พอๆ อ, อย่าไปวุ่นวายอะไรมากปฏิบัติกันอย่าไปสงสัยมากเลยที่มันสงสัยนั่งกักคุมมันมาซะมันเป็นอย่างนั้นเองจิตเี่ยเป็นยงนั้นเองมันวา ง, ม, วางมันวางนะ เลยมากคนไม่มีอะไรหรอกมันไม่มีอะไรเราสำคัญว่ามันมีอะไรอยู่แต่ความเป็นจริงมันไม่มีอะไรตรงนี้มันเป็นอนัตตาเราสงสัยว่ามันมีอะไรอยู่ตรงนี้มันเป็นอัตามันถึงสงสัยอยู่เนี่ยภาวนากันมันถึงอยากว่าจะเอาอะไรจะให้มันเป็นอะไรใครจะภาวนาให้มันได้มันเป็นแน่ถ้ามันมีมันเป็นอ่ะมันเป็นไหมมันถูกมหม เนี่ยเพราะว่ามันไม่มีไม่เป็นจะไปทําให้มันมีขึ้นมันเป็นขึ้นมันก็เป็นตัญหาขึ้นเพราะเรื่องมันไม่จบอย่างนั้นไอ้ความจริงจมันเป็นอย่างนั้นนี่เรียกว่ามันดับอืทั้งหมดน่ะ ม, มันดับดับด้วยความรู้ไม่ใช่ดับด้วยความไม่รู้จักอืม อันนี้ถ้าหากว่าเรารับรองของเราในตัวของเราอย่างนี้ให้คนอื่นคนนั้อมไม่มีอะไรเลยอย่าไปสงสัยในการประพฤติปฏิบัติอย่าไปยึดมั่นถือมันในความเห็นของเราอย่าไปยึดมั่นถือมันในความเห็นของเขาเนี่ในช่องกลางนี่จะให้ปัญญาเกิดที่ถูกต้องที่สุดแล้ว อัจารยมาเคยเปรียบให้ฟังใง่ายคนเราถ้ามันมีความยึดอยู่มันก็ไปรู้จักที่ยึดอย่างจริยที่อยู่ของมันขึดนมาบนลังคานี่กับพื้นนี้คนขึ้นไปจากบนก็ไปจุดบนลังคาแล้วมันก็ถึงลังคาแล้วฉะ น, นั้นรู้ถึงแค่นั้นโดนลงมากระถึงพื้นเท่านั้นเนี่ยนี่มันรู้จักแล้วอะเพราะข้างบนนั้นมันกระจุดลงังคาข้างล่างมันกระจุดพื้น คนเรามันจะรู้สึกเท่านี้อหากขึ้นไปบนนาคามันจะโดดลงมาพุ่งอย่างนี้มันก็รู้สึกได้บางอยู่อยู่หลังคาแล้วก็อยู่กับพื้นระยะกลางเนี่ยไม่ใครรู้จะมีใครทีจ่จักเพราะอันนี้ไ ม, มาา่มีเครื่องวัดเป็นอากาศยังไม่มีเครื่องวัดแต่ว่าจากลาคามหาเพื่อนเนี่ยมันจะกี่เม็ดกี่เซนมันก็มีของมันอยู่อย่างนั้น แต่คนที่โดนลงมานั้นไม่รู้เรื่องกเพราะไม่ได้วัดไม่ได้วัดมันก็ยังเหลือเม็ดเหลือเสษนพราะมันอยู่อย่างนั้นมันไม่เสียหายไปตรงไหนหรอกมันเป็นสัจธรรมอย่างนั้นตกลงมาได้วัดใหม่ก็ได้มันจะมีกี่เม็ดมันก็ยังเหลืออยู่เท่าเก่าเหมืนนั้ถึงคนจะโดนลงมาหรือไม่โดนลงมามันก็เหลืออยู่เท่าเก่ามันสัจธรรมอันนี้ไม่มีอะไรไปตรงไหนนี่มันเป็นเรื่องของอย่างนี้อืมที่เดวว่าที่ไม่มีพบ อยู่ญาตกลางเนี่ยไม่มีไม่มีเครื่องหมายอะไรเลยเนีย่ตอบไม่ได้คนเราตอบไม่ได้เช่นว่ายกง่ายในปัจจุบันนี้ไอเ้เด็กๆที่มันประพฤติธรรมะกันอยู่ น, นหนึ่งมันอยากรู้ว่าพาระ น, นิพพานนี่พระนิพพานมันเป็นยังไงถ้าเราพูดไปถึงถึงว่าเครื่องที่มันไม่มีพบแดีวมันไม่อยากไปแล้ว มันถอยหลังเห็นะมว่ามันดับสงบมันอยากจะรู้จักว่ามันจะอยู่ยังไงกินยังไงอีกนะตรงนั้น ม, มันเป็นอย่างไงมันไม่จบแต่ทีหนึ่งฉะนั้นปัญหาของคนจะรู้เรื่องจริงๆนั่นก็คือเรื่องปฏิบัติเรื่องปฏิบัติทั้งนั้นหละเป็นอาชีวพเทธิพุทธประภุะองค์อื ม, อม หามวาท่านเป็นดวงิตใครใครเป็นครูเป็นอาจารย์ของท่านฉันก็จรู้โดยตนเองไม่มีใครเป็นครูเป็นอาจารย์ของฉันสถาบันนี้เลยคือบอกตรงเกินไปมันไ ม, ไม่ดูเรื่องอือก็บอกอีกแค่ทั้งวันเนี่ยก็ไม่รู้อยู่ตรงนั้นอือก็จิตของมันไม่เคลื่อนจากที่ของมันมันก็เป็นของมันอยู่อย่างนั้นไอ้คนเรามจะมีปัญญาก็เพราะการปฏิบัตินี่ขึ้นมา จะหายความสงสัยแท้จริงกัเรื่องการปฏิบัตินี่เองจะไม่ปฟังการฟังที่ทำฟังทำรับรู้เอาไปปฏิบัติแต่ความจริงเนี่มันจะเอาตามคนเอาตามความรู้สึกตามจริงจริง ท, ที่มันเกิดขึ้นมาอย่างหยิบใจของเราเนี่ยฉันชอบอย่างนี้ แต่ธรรมะไม่ให้อภัยอย่างนั้นที่เราชอบนั่นเนี่ยถ้าเราหนักในธรรมะเราก็ไม่เอาสิ่งที่เราชอบอย่างนั้นทามันเราชอบอย่างนั้นมันไม่ถูกธรรมะเราก็ไม่เอาถ้าเราเชื่อธรรมะมันเป็นอยู่อย่างนี้อันนี้ค็อไอความรู้ไอความรู้ทั้งหลายมันจะเป็นของมันอยู่อย่างนี้เอาสิพูดหลายไม่ได้ไม่เหนื่อยแล้วนะ สงสัยอะไรในการปฏิบัติเองมีรู้จักในการปล่อยที่มันไหลอยู่นั่นน่ะดูมันเถอดจนนั้นไม่ใช่แบบปล่อยไม่ดูมันนาต้องมีส ต, ตินะที่พูดไปทุกระยะนี่เป็นพวกมสี่ควบครองอยู่เสมอ จริงก็เรียกว่าเราปฏิบัติด้วยปัญญาของเราไม่ปฏิบัติด้วยความโง่มันถึงจะรู้จักมัน mm. ให้มันผ่านปัญญาเราถึงนะั้นอันนี้ก็ mm. mm. มันไอ้ก่ความจริงอ่ะไอ้ที่ความรู้สึกนึกคิดมันก็เป็นไปตามความจริงของมันอยู่แล้วล่ะ แต่เราไม่ใ้ามจริงในสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นอยากให้มันเป็นอย่างนั้นมันจะเป็นไปอย่างนี้เราอยากให้มันเป็นอย่างนั้นจะมาพูดคำจับที่ทันว่าโรคกบิทูรู้แจ้งโรคคือโรคอันนี้มันเป็นสภาวะเขามันอยู่อย่างนั้นหรือจะรว ม, มง่ายกับโรคคือคืออารมณ์ พูดกัน ง, ง่ายๆกันมาที่สุดจ้ะโลกเ ด, ดินสะพูเดินมันกว้างอารมณ์เนี่ยเป็นโลกพูด ง, ง่ายๆโลกคืออารมณ์อารมณ์คือโลกหลงโลกก็คือหลงอารมณ์หลงอารมณ์ก็คือหลงโลกอโลกมีธูรูแจ้งโลก ว่าโรคมันเป็นไปยังไงอะไ ร, ย, ไรยังไงไหมอย่างนี้นให้รู้เรื่องของมันคือมันเป็นไปตามสภาวะของมันอยู่อย่างนีน้ให้รู้เท่าทันมันเสียอย่างที่ท่านสอนมาให้รู้เท่าสังขารปัญญารู้เท่าสังขารสังขารมันเป็นจริงอย่างไรฝ่ายรู้เท่าตามความจริงของมันอย่างนั้นเขาเรียกว่าปัญญารู้ไม่ได้ขัดข้องมันอืม มวปัญญาทำทั้งที่ให้มันมีความสงบทั้งแก่มีปัญญาควบคุมกันถ้าว่าตามความเป็นจริงแล้วเรื่องศีลก็ดีเรื่องสมาธิก็ดีเรื่องปัญญาก็ดีเนี่ยเรื่องสมถกรรมฐานก็ดีเรื่องดิพัฒนากรรมฐานก็ดี มันเป็นเรื่องเดียวกันมันเป็นเรื่องเดียวกันจะนามาแยกกันออกไปถ้าได้หลงกันมันเป็นเรื่องเดียวกันแต่ตว่าเคยเปรียบไอฟังยังไงง่ายอืมมันมีที่เปรียบนะเรื่องสมถะกรรมฐานเรื่องอิปัจนากรรมฐานนั่นน่ะ เราต้องพิจารณาเปรียบสิ่งง่ายดีอย่างมะม่วงใบนี้อย่างนี้มันเป็นดูกเล็กต่อไปจนถึงมันสุกมันหามมันสุกกะมะม่วงใบเด็กเล็กมันเป็นใบเดียวหรือเปล่าตั้งแต่มันเป็นช่อดอกออกมานั่นยังไม่เป็นดูกเลยมันก็เป็นมะม่วงใบนี้ มันเป็นดูกก็เรียกขึ้นมาก็เป็นมะม่วงมันโตขึ้นมาก็ใบเก่าโตขึ้นไปอีกก็ใบเก่ามันหามมา ก, ก็ใบเก่ามันสุกก็ใบเก่าสักแต่ว่ามันเปลี่ยนแปลงเท่านั้นเนี่ยอันนี้ก็เปลี่ยนอย่างนั้นอย่างศีลสมาธิปัญญาก็ดีศีลอย่างนี้จะพูดง่ายๆแล้วศีล น, นีนะ่ก็คือการที่ว่า ละบาปนี่ถ้าคนไม่มีศีลนี่มันร้อนมันร้อนคือทำให้มันเย็นช่ถ้าคนละความชั่วละบาปเลยมันก็เย็ น, นเย็นใน ม, มีโทษอาการที่ไม่มีโทษนี่แหละอันนี้สงทีมันเกิดขึ้นมานี่เนีมันจิตสงบมันจะเป็นสมาธมิเมื่อสมาธินั้นน่ะ มันใสสะอาดนะมันจะมองเห็นอะไรหลายอย่างอย่างน้ำาป็นมันไม่กระเพื่อมไปมองดูไม่จะเห็นแต่หน้าเราไม่เห็นถึงหลังคาโน้นอะไรนกมันบินผ่านมามันก็เห็นมันเรื่องเดียวกันทั้งนั้นเนี่ยเหมือนกันแต่มาม่วงว้เดียวลูกเล็กๆมันก็ใบนั้นมันโตขึ้นมาก็ใบนั้นเนี่ย ืหามกับใบนั้นสุกกับใบนั้นอืมอันเดียวกันสีมันจะเขียวดําเหลืองก็อันเดียวกันเทั้นั้นซักเท่าว่ามันเปลี่ยนเท่านั้นเอก็จากที่นั้นถ้าเราเข้าใจง่ายๆอย่างนี้มันก็มันก็สบายขึ้นความสงสัยมันก็น้อยเทถ้าเราไปขยายมันออกไปเส้นกว้างโอ้ไม่ทนค้นตำลาเลย ไม่ทนเกิดข้นตำลาไม่รู้ว่าไงต่ออะไรเลยวุ่นไปหมดทั้งนั้นฉะนั้นต้องตามดูจิตของเรานั่นดูก่อนที่สูตรทั้งหลายท่านทั้งหลายจงตามรักษากจิตของตนคนในตามรักษากจิตของตนคนนั้นจะข้นจากวงของมารทั้งมารทั้งดวงนี่ ดูนะจะการนั่งพิจารณาให้มากสดูไปไ ม, มา่อานจะเป็นไปอะไรเนะีท่านพูดจะย่อขนาดนี้ อ, อวิธีอาตมานี่มันก็แปลกนะบวชมาปฏิบัติมาเนี่ยสงสัยมากแป้ไม่เคยไปถามใครให้มากแต่รอท่านอาจารย์มัน่นอาตมาก็ไม่เข้าไปถามท่าน อยากถามอยู่แต่ไม่ถามใใครก็มายืนนั่งฟังนั่งฟังนั่งฟังท่านเจ้ไปฟังสงสัยอยู่ก็ไม่ถามจะไปถามคนอื่นคล้ายๆจะไปยืมมีดคนอื่นมาปาดซะเราไม่เคยมีมีดอเออไอความรู้สึกมันเป็นอย่างนั้นก็ไม่เคยถามใคร โดยมากก็เถามใครไปอยู่กับครูบาอาจารย์ปีสองปีก็นั่งฟังธรรมท่านอยู่แกเองหะเอกแกเองหะเองแก่เองไปในทํานองนี้แตกจากสาวกอง์อื่นนะเป็นอย่ังไงแตกมันแยบคายดีนะ่ะสบายแต่พิจารณามันเห็นขึ้นเองเห็นขึ้นเห็นขึ้นเห็นขึ้นเห็นขึ้ น, น, น, น, น, น, นตามสัจธรรมเนะี่ย มันดีมันไม่ลืมไม่สงสัยมันไม่ลืมอืมเอาสงสัอดีกว่ากันดิโยมโยมอุพพรนั่นนะ่ะไปไหนเราไม่มาดิน่ะนะ ม, มีอะไรไหมนะ่ะอยากฟังแต่าำด้านนั้นอนะอือัตมาว่าอย่าไปสงสัยในมันมากละบารมีคอยมันไว้แท้ ถ้ามีอะไรก็พิจนารณานั้นเรื่องที่มันสุกมันพุกมันเป็นเรื่องของสังขารร่างกายของเราอย่าเลยไปติดมันเท่านั้นแหละนั่งสมาธิมันเหนื่อยเหนื่อยกว่าพลิกมันทีอดมันเต็นทนได้วกว่าพลิกมันทีใหญ่มันมากดิปานนี้แล้วทำสตินั่นให้มาก พอเดินไม่มากนั่งไม่มากอะไรไม่มากทำตติให้มากที่สุดให้มันรู้ทัวถึงซะพอสําหรับคนแก่ป่านนี้ให้เอาคําที่อาตมาเนี่ไปพิจณาดูเถอะเรานั่งสมาธิก็ดีเราจะเดินจงกรมก็ดีอะไรก็ดีเราปฏิบัติมาอะไรมันเกิดขึ้นมานะ อ, อารมณ์อะไรจะมันเกิดขึ้นมาข้างนอกก็ดีข้างในก็ดีทุกก็มาให้เรามีความรู้สึกเกิดขึ้นมาอันนั้นเรียกว่าอารมณ์ผู้ ร, รับนั่นก็เรียกว่าผู้ ร, รับอารมณ์ผู้ ร, รู้อารมณ์นั่นก็จะเรียกว่าอะไรก็เรียกมันเถอจะเรียกว่าจิตี่ก็เรียกนะอันหนึ่งมันเป็นอารมณ์อันหนึ่งผู้ผู้รับอารมณ์อืม แต่ข่ายตาของเราเนี่ยสกับรูปอย่างเนี้ยนี่ตามันก็เห็นรูปอไม่ใช่ไม่ใช่ตามันเป็นรูปไม่ใช่รูปมันเป็นตาให้รู้จางเงี้ยหูก็เป็นหูซะเสียงก็เป็นเสียงซะแค่ว่ามันมากระทบกันเข้าสองอย่างนี้มันเกิดเรื่องขึ้นเลยทีเดียวของสองอย่างมันมากระทบกันขึ้น ให้เกิดความรู้ขึ้นเกิดความพอใจขึ้นเกิดความไม่พอใจขึ้นสารพัสอย่างมันจะเกิดขึ้นตรงเรียกว่าอารมณ์อะไรก็ช่างมันเถอะอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นมานั้นให้เรากระชิดในใจของเราเสมอว่าอันนี้มันไม่แน่นนอันนี้คนไม่ค่อยจะเอาไปพิจารณานะอันนี้มันไม่แน่ ตัวนี้เนี่ยตัวสาคัญที่จะให้เราเกิดปัญญาตัวนี้แต่ตัวสาคัญที่เราไม่ก้าวไปก้าวมาเราอยู่นิ่งอยู่กับที่มันเน่ยบอกแด่ว่าอันนี้มันไม่แน่บางทีมันมันมันมันเสียดายจนน้าตามันจะไหลออกก็เดี๋ยอันนี้ไม่แน่ไอ้ความโรคความโกรธทุกอย่างมักระทบกับเหตุบอกคำเดียวเท่านั้นเนี่ จะยืนจะเดินจะนั่งจะ น, นอนตรงไหอันนี้มันไม่แน่กระทิปมันจะได้ เ, เอาทุกทีทุกทีลองลองดูก็ได้ไม่ไม่เอามากก็เอาเท่านี้อืมอันนี้เป็นเรื่องให้เกิดปัญญาอืมอืมีเรื่องเรื่องอัตมาไอัภาวนาในใหญ่มากกระเพื่อนเขาหรอกเท่านี้เรื่องที่สุดมันจนมุมมันเอาเท่านี้ ไม่ไม่แน่ไหนทุกอย่างมันเกีรวมอยู่จุดนี้หมดอท่าน่าจิตที่มันเกิดขึ้นอย่าไปนับมันเลยมันไม่ทนนับหรอกอือาการของจิตเมื่อนั่งสมาธิมันจะดูอันนั้นมันจะเป็นอย่างนี้บางทีมันเป็นอย่างนั้นอะไรทั้งนี้ยออทั้งหลายเหล่านี้ไม่คด น, นาที่เดียวแต่ตรงนี้ อือย่าไปตามมันมากเลยบอกแกว่าลมันไปนี่ตอนนั้นก็พอแล้วง่ายๆมแื่อหยุดอยู่แล้วมันจะเกิดของโลภขึ้นมาอยไปวิ่งตามให้มันว่าเรื่องพูดจะพิจารณาจริงๆนั่นอ่ะมันไม่ได้คิดอ่ะพอแต่หูตาหูจมูกยิ่นกายพอกระทบปุ๊บมันออกไปเองมันพิจารณาอยไม่ต้องเอาอะไรมายกขึ้นนี้มันมากมันยกเองของมันอ่ะ วิตกนะคืออะไรมันเรื่องยกขึ้นมาแล้ววิจารคืออะไรเรื่องพิจารณาแล้วได้เห็นภูมิธรรมที่มันเกิดขึ้น